พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบเกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าพญาจิตตรระและกายยนครวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบกวันนะวันที่ยี่สิหกมกราพุทธศักราช2554แต้า้อห้าสสี่จะทำยังไงได้ละ่ะ อายุถึงทันก็มากถึงขนาดนั้นแล้วจะเป็นหมอก็เถอะมันก็สุดสุดวิสัยของหมอมันก็ต้องมีอีกถ้าว่าไม่สุดวิสัยของหมอคนก็คงจะล้นโลกว่างั้นเถะคนคงล้นโลกเพราะมันสุดวิสัยตัวตวหมอเองก็ยังรักษาตัวไม่อยู่เหมือนกับสงครามศึกสงครามมาพิจรารณาดูแล้วที่ท่านยกเป็นอุดทาหอนขึ้นมา ท่านว่าร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่ากายยนครนะครของกายกายยนครนะครของกายแต่นี่นะครของกายนีย่มีพยาครองเมืองอยู่คือพยาจิตตระดัคือจิตใจครองกายยนครในกายในในร่างกายของเราเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วมีสอง คือกายกับใจท่านกระยกอุปมาอุปไมึ้นว่ากายยนครแลนและพญาจิตรราชเป็นผู้ครองเมืองแต่พญาจิตรราชเป็นผู้ครองหนึ่งเป็นผู้ปกป้องดูแลทุกอย่างของร่างกายหิวกระหายหนาวร้อนออง่วงนอนพาขับถ่ายทุกอย่าง เหมือนกับเราพวกเราดูดูแลรถที่เราราคาแพงๆอย่างนั้นลูบลูบคลำคำดูดูดล้างลางเช็ดเช็ดถูถูดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันดูน้ำดูทุกยอย่างพญาจิตรราชเนี่ยประคบประงมะกายยนคอเอาดีที่สุด เพราะรักที่สุดแต่ว่ามันในกายยานครตัวนี้นะ่มันจะมีพญามัจจุราชเป็นผู้จะมาแย่งชิงแย่งชิงกายยานครแต่ในพญามัจจุราชนี่นก่อนส่งทหารชราพญาธิเข้ามา เป็นระดับระดับ่ใหม่ๆก็ส่งกลุ่มน้อยเข้ามาตีตีดูส่วนพญาจิตรราชเนี่ยก็ส่งพญาโอสดฟังั้นเถอะเข้าไปต่อต้านไปสู้ชิงเอาไว้ชิงไปชิงมาชิงมาชิงไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยส่วนพญามัจจุราชเนี่ยไม่ รถลาวาสอกวังกะสงทหารระดมพลเข้ามาเลยพญาจิตรราชนี่กอันไหนที่พอจะมาช่วยได้ระดมทุนอย่างคณะหนักเหมือนกันเงินคำทรัพย์สมบัติที่หามาได้ของราคาแพงๆที่นอกจากกายแล้วก็ระดมมาสู้สู้กับทหารพญามัจจุราชชาลาพญาธิชลอความแก่ยังไง ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาด้วยยาอะไรยาในเมืองไทยแล้วอย่างมาแล้วยาต่างประเทศอีกที่ไหนว่ามันดีที่สุดที่จะมาปกป้องกายยนครพยาโอสดพยาจิตรราชทรงทหารเอกคือพยาโอสดรักษาแต่ถึงยังไงจะรักษายังไง ผลที่สุดก็ต้องยอมแพ้พญามัจจุราชบีบคอเขาเราหายใจไม่ออกจบไปทุกรายในเมื่อเขตกายยานครแตกแล้วนะพญาจิตรราชก็อยู่ไม่ไหวเนะพราะกายยานครแตกก็ต้องเพ่นนะ เ, เพ่นไปหาสร้างเมืองใหม่อีกในคณะที่ไปสร้างเมืองใหม่ เราจะเตรียมพร้อมขนาดไหนเราจะยกพลพักไปได้มากขนาดไหนที่เขาตีเลยไล่เข้ามาแล้วถ้าเราได้เตรียมการไว้ก่อนว่าเ่อถ้าพยามัรจุราชตีเข้ามามุมไหนเราจะตีผ่าค่าศึกออกไปยังไงแล้วเราจะเอาบริวารของของเราทรัพย์สมบัติของเราออกไปได้มากน้อยแค่ไหน ติดตัวของเราไปพญาจิตรราชเนี่ยต้องคิดวางแผนไว้แต่นอนเนิ่นเหมือนกันไม่ใช่ว่านอนชะล่าใจแล้วก็นอนหลับไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตัวเองจะชนะอยู่ตลอดแต่พญามัจจุราชตรีรอบด้านเข้ามาเสร็จแล้วก็มีแต่ใช่จะเอา เพชรนินจินดาติดตัวไปก็กลัวเขาจะเห็นผลในสุดจะแก้ผ้าวิ่งไม่มีกระทั่งเสื้อผ้าพยาจิตรราชแล้วจะไปตั้งโรครักสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอไม่ได้เตรียมการอะไรคิดว่า ไม่เกิดมาแล้วก็คิดว่าไม่คิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดว่าบุญกุศลตายแล้วศูนอีกต่างหากไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรพอออกจากชาตินี้กันเหมือนเราไม่มีเสื้อผ้าวิ่งหนีจากฆาตศึกอย่างนั้นออกจากนั้นไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงห์แบบนั้นบาปกรรมที่มีอยู่กันไปตกนรกหมกไหมไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ดิรัฉานไปเพราะเหอะไรเพราะไม่ได้เตรียมพร้อม แต่ถ้าว่าพวกเราเตรียมพร้อมเมื่อเขาตีกายยนครเราจะตีวงพระผ่าออกทางไหนกับบริษัทบริบาลของเราเราจะเอาสมบัติติดตัวไปได้อย่างไรอันนี้เราได้เตรียมพร้อมเอาไว้เราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้พญาจิตรราชถึงจะออกไปทางไหนไปพญามัจจุราชก็ไม่ ไม่สามารถที่จะเอาชนะในส่วนนั้นได้พร้อมที่จะติดตามซะนั้นเองได้แต่กายยนครไปส่วนจิ ต, ตวิญญาณหรือว่าบุญกุศลที่ติดจิตติดใจของพยาจิตรราชนั้นไปกับพยาจิตรราชอย่างสมบูรณ์ไปออกจากกายยนครนี้แล้วก็ไปสร้างนครใหม่อีกออไปสร้างนครใหม่ อาจจะเป็นเ ท, ว, เท ว, วดาุเทวดาอินพรมหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้เตรียมสมบัติไปด้วยจากนั้นก็จนกว่าจะเห็นโทษได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตวากายยนครเนื่องถึงจะสร้างมาถึงขนาดไหนก็เถอะนะกายยนครนี่จะต้องแตกสลายในที่สุด เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายหลงร่างกายนี่นะไม่ใช่หลงอื่นนะหลงกายยานครเห็นว่ากายกายานคอนเป็นของเสร็จสวยงดงามกายยานคอนเป็นของน่าอยู่แต่ตาไม่เห็นกายยานคอนนี่ถึงจะทะนุถนอมถึงจะปกป้องดีขนาดไหนพยาโอสถจะรักษาดีขนาดไหนอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนกายยะนครเนี่ก็พร้อมที่จะแตกในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้จากนั้นก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายนะปัญาจิตรราชนะให้ให้ดูอดูอแล้วก็เนี่ยให้อยู่แบบสมถะให้ดูใจ อย่าไปสร้างกายยนครให้ยุ่งเยิงวุ่นวายอีกถ้ายะสร้างขึ้นมาแล้วเป็นเป้าหมายของพญามัจจุราชต้องดูนะแต่นี้พญาจิตรราชจะต้องดูตัวเองแทนพญาจิตรราชดูตัเองพอดูตัวเองแล้วเป็นอมพันตะธรรมอมพันตะาธาตุใครครกล้ๆว่าหลีกลี้หนีออกจาก กายยนครนั้นเป็นอีกมิติหนึ่งคือพระนิพานคข้ายว่าไ ม, ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกออกไปจากมิติหนึ่งออกจากกายยนครนั้นคล้ายๆกับว่าอย่างทุกวันนี้หนีไปโลกใหม่ลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยม่ต้องเป็นอย่างนี้ออกจากโลกมนุษย์นี้ไป จนอวกาศของจิตของธรรมจนไม่พยามัจจุราชตามไม่ถึงพยามัจจุราชตามไม่ถึงก็คือนี่ยพระนิพพานพยามานตามไม่ถึงเรื่อมือไม่ถึงอันนี้ก็คือจิตของพระอรหันต์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของพระอรหันต์ออกจากนั่นเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่เป็น ธรรมที่เป็นธาตุธาตุที่เป็นธรรมออกจากนี่แหละออกจากจิตวิญญาณออกจากความรู้สึกจุดนี้นี่แหละพราะพุทธเจ้าท่านไปศึกษาไปค้นคว้าในเมื่อสองพัน้าร้อกว่าปีพระพุทธองค์ไปศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจำเร็จแล้วรวยใจเพราะ น, นพวกเราคณะ เราทุกๆท่านนะฝ่ายพระฝ่ายคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่ถึงอย่างไรพวกเราจะต้องถ้ามีกายมีจิตมีจิตมีกายพยายจิตรราชดูแลร่างกายเนีดีขนาดไหนปกป้องคุ้มครองดีขนาดไหนแต่ร่างกายนีย่อีกสักวันหนึ่งอพญามัจจุราชจะต้องก็จะต้องมาช่วงชิงเกายยันคอของพวกเราพญาย ม, มรณะ เ, เข้ามาจากนั้ น, นพญาจิตรราชก็ช่วงชิงอย่างที่ว่านั่นแหะแต่ทุกครั้งต้องแพ้แพ้พญาโอสดพญาจิตรราชส่งทหารเอกเข้าไปขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็ต้องยอมแพ้แต่มีทางออกพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาด้วยแล้วมีทางออกนะมีทางไปมีทางแก้ไข นี่แหละให้เดินตามมักให้พยาจิตราชนเดินตามมัคคะปฏิปทามัคคะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปโอจนถึงสัมมาส ม, มาธินี่แหละโขนทางที่พยามัร จ, จุราชตามไม่ถึงตามไม่ทันแต่ถาาว่าเราไม่เตือนตามนี่แหละเราจะว ก, กวนเวียนจีเก่งกล้าสามารถถึงขนาดไหนก็เถอะถ้ามาเกิดดูในพันตรสงสารเนี่ยไม่เออไม่เหนือ หนีไม่พ้นพญามัรจุราชที่จะต้องจัดการกับพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาธรรมะปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่จะตัดภพตัดชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดกับเรื่องภาวนาแต่เรื่องทานเรื่องศีลนั้น มันเป็นเรื่องที่หนทางหรือว่าเป็นเป็นที่พึ่งพาอาศัยในการเป็นอยู่ชั่วครั้งชั่วการเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังอ า, อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่นะเราก็หนีจากวัฏฏบวนไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่เพื่อหวังสิ่งเหล่านุ้นคือความพ้นทุกข์นะคือภาวนานะ จิตภาวนาสมาธิขปัญญามีสมาธิขปัญญาเลยมันก็ต้องอาศัยศินเมื่ออาศัยศินคือกฎระเบียบจากนั้นอาศัยสินก็ต้องอาศัยทานการเป็นอยู่ถ้าเราไม่มีผลทานคือการเป็นอยู่ชีวิตของเราทุกท ก, กระทำลาบากหาข้าวจะกินหาผ้าจะนุ่งหม่มก็ไม่มียาแก้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่มียาแล้วเป็นยังไง เราก็อยู่ด้วยความลําบากเพราะนั้นอันนสงทานเนี่ยต้องมีและอนนสงสินก็คือกฎระเบียบการอยู่มีกติกาไ ม, ม่เบียดเบียนปีนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คืออันนีสงสีอันนี้สงภาวนาพูดถึงด้านจิตใจแล้วนะคือนความนึกคิดอะไรนะเรื่องภาวน า, เ, น า, วนาเรานึกคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐินึกคิดอย่างไรเป็นมิจฉาทิฐิต้องเดินตามมรรคแล้วทันีต้องต้องใช้ปัญญาคลี่คลาย ด้วยหลักเหตุผลจากนั้นเมื่อเราพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาของเราแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเราก็เหมือนตะกอนเราโงา่เราอ่านหนังสือไม่ออกคิดเลขไม่ได้แต่นี้บัดนี้เรามาศึกษาตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนวิธีการอ่านวิธีการ พูดวิธีการนะเราก็เฉลียวฉลาดรูนะ้รู้วิธีการนะไอ้ความรู้จุดนั้นนะที่รู้นะไอ้ความโง่ที่เราไม่รู้มาแต่ก่อนมันก็ตกไปมันก็หายไปมันหายไปไหนไม่ทราบมันหายออกจากใจเนะนะี่ยแต่รู้นะมันรู้มาจากไหนรู้มาจากใจ น, ะนี่แหละอันนี้ทำมาอันบริสุทธิ์ก็จะผุดขึ้นมาจากความโง่นะนะคือความไม่รู้อวิชชาคือความโง่แต่วิ ช, ชาตัวรู้จนะเกิดมาจากตัวอวิชชานะ นี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในที่ไหนสรุปแล้วคืออยู่ที่ใจชมามาทำให้ก่อดนะใจโง่ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วก็ใจก็ฉลาด ใ, ใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะถ้าตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้ผล